เป็นเวลาหลายปีด้วยความรู้สึกผิดดังนั้นทำไมเราจึงจะต้องเป็นผู้ให้บทเรียนแก่เขาหากพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็พบว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ลงมือสาเร็จโทษเขาเรายังคงทำหน้าที่ต่อสังคมของเราได้เมื่อเราปล่อยวางความโกรธและสงบลง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 ทำเงินมหาศาลจนสามารถปลดกเกษียณตัวเองได้เมื่ออายุเพียง20สบกว่าปีทั้งสองท่านฉลาดเข้มแข็งและแกร่งสุดๆพระเราไม่สมควรจะโต้เถียงกันแต่ท่านก็กำลังทำอยู่พระไม่สมควรจะโดนหมัดกันแต่ท่านก็เกือ บ, บอยู่รอมรอบ ท่านกำลังถมึงตาใส่กันจมูกเกือบจะชนจมูกและพ้นความโกรธใส่กันขณะที่กำลังเจรจาโต้อตอบกันด้วยถ้อยคำเผ็ดร้อนสุดขีดจูจๆอดีตนาวิกโยธินก็กุกเข่าลงกราบอย่างมดงามต่อหน้าพระอดีตนักธุรกิจผู้ที่กำลังตกใจสุดขีดท่านแงหน้าขึ้นและกล่าวว่า